หลังจากเราได้ชาธิเหตสูจนที่ว่าพระไตรปิกพระไตรปิฎ ก, กเห็นศาสนาศาสนาถ้า <c oughs> ใช้เกิดประโยชน์ต้องมานำมาปฏิบัติที่ตัวเรา เราก็มีปฏิบัติได้เช่นวิธีปฏิบัติตามหลักมากไปอมเปย์ก็คือเรื่องกายเรื่องใจเหล่านี้ ล, ล้วก็คือมีสติมีสติไปในกายมีสติไปในใจิตใจ อันสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีมากให้มีสติเห็นถ้าสติได้เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกากับใจตามความเป็นจริงเห็นหลงผมหลง เป็นอย่างไรสัมผัส ด, ดูเห็นรูวมรูอย่างไรสัมผัส ด, ดูเป็นทางอยู่ตรงนั้นตรงที่มอนหลงตรงที่มอนรูมันก็เห็นทางเป็นทางไปอยู่ภาวะที่หลงภาวะที่รูกายภาวะที่หลงใจภาวะที่รูใจในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ เห็นเป็นกายเห็นเป็นใจื่อเห็นมากๆก็เห็นเป็นรูปเป็นนามทอมหลงเป็นอาการเห็นจิตที่มันคิดตัวเห็นนามที่มันมีอาการมีนามเหมือนกับไม่ นันมีสัญญาณอยู่ที่นี่เวลาเสียงไหไมามันก็เจ็บเสียงขยายไปอีกให้มันไปไกลจริงต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่ว่ารูปนามมรรูปนามนามนั่นมันก็ไปไกลไปบวกกันเข้ากับรูปไปเป็นความ พอใจควบไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์ขอนามถ้าเรามีสติเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับนามมันก็ไม่มันก็ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ได้เป็นอาการไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกข์อันสุ ข, ขอันทุกข์มันเป็นอาการของน้ํามธรรมา ก็ไม่มีอาการมันก็ไม่ใช่น้ำเหมือนใหมไม่มีมมเจ็บไม่เจ็บเสียงมันก็ไม่ใช่ไม่ได้ที่มันสุขบนทุกข์เป็นที่เกิดกับนามนั้นมันบอกทังความเทศความชิงอย่างลายเป็นตัวเป็นตนอย่างไรแล้วก็มีสติเห็นนี่มันคืออันนี้นี่คืออนนี้ในสิ่งนี้เกิดขึ้นกับนามนั่น มันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนจะเป็นความสุขความทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนทละความจังก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนความกดความโลภความหลงก็มไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็เห็นไปจนจบในลักษณะอาการความไม่เป็นอะไรอยู่ในความเป็นอะไรมะ แล้วก็ต่างกันแล้วก็เราวิ่งเวลาเราหยุดก็ต่างกันกันกบการวิ่งเราจะเหนื่อยถ้าเดินธรรมดาก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจถ้าเหนื่อยกายนี่ก็ยังรู้จับกายมันรู้จับแต่ใจไม่ค่อยรู้ ก็ไม่มีสตินึกว่าตัวว่าตนภปซะถ้าเหนื่อยกายมันบอกอยู่ร้อนก็อาบน้ำถ้าหนาวผอมผ้าหิวก็กินข้าวจนได้อันใจเมื่อม่มีทุกข์มันไม่หาทางออกเพราะมันเป็นนามธรรมยิ่งหมดมุ่งเข้าไปจึงมีสติเต็มที่ อย่าวิ่งตามอาการที่มันเกิดขึน้นโศกเป็นโศกทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงที่เกิดขึ้นกับนามนั่นมีสตินเนี่ยังที่เรามาอยู่ในภาคปฏิบัติก็เห็นถิงนเหล่านี้ต่อหน้าต่อตา อ, อ, อ, อยู่ก็ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่าปล่อยทิ้งไปเวลามันโศกก็เห็นมัน อยาให้โุคเป็นโชคอยาให้ทุกข์เป็นทุกข์นเนี้เรียกว่าสติอย่างที่เราสาธเพระสูตรวิตุกิจานปิติสุกเอตัขตาหมายถึงตึกตองในธรรมบางทีเมื่อมัน เห็นแล้วมันฉุกมันเปรียงนี่ทุกมันเปรียงนี่ก็ตรึกตร อ, องไปแต่ไม่ใช่ปุ่งแต่งจิตเป็นหนึ่งที่มันเห็นตัวหน้าตัวต า, ตวตาเห็นความทุกข์ก็ไม่ใช่ความทุกข์มันเห็นแล้วมันตรึกตร อ, องไปมันมันมันชื่นใจนะถ้าเห็นดีดีแ้วถ้าเห็นะ่ะลักษณะเห็นของสติเนี่ย ไม่ใช่เหมือนตามันตึกตองมันชื่ในใจโอ้เป็นอย่างนี้เหมันเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นไรเนามันตึกตองไปเรีกยกว่าวิตกวิจารมันก็มีปิติเยืนเราเห็นถ้าเห็นนะเห็นแม่ตาย เห็นแม่ตายตอนใจหยาขาดมันไม่ใช่เรื่องทุกข์แต่มันเป็นลึกซึง้งมันเห็นอย่่งเนี่ยซึ่งเป็นวันที่แม่ของลงหมดไปแล้วเราก็เห็นลักษณะการตายมันเป็นอย่างนี้เราก็ลึกซึง้งมันมันมันไม่ใช่ทุกข์นะมันเป็นปิติแบบหนึง่งที่มันเห็นแยง้งตามความเป็นจริง อะไรก็เป็นเช่นนี้เรียกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้สันโลกเป็นอย่างนี้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอย่างนี้มันลึกซึ้งแลยปิติมันในมันไม่ใช่ความทุกข์มันเห็นแจ้งลำดับลมน ำ, ำ, ำ, ำมันเห็นแจ้งนะคําสอนพระเจ้าด้วยอันนี้เรียกว่าปิติ แล้วก็เมือ่อได้เพลินอยู่ในได้ยังไงลนะออกไปสอนวิตกวิจารเฉยได้อาถึงชานที่สองที่สามแต่นี่โอเวขาวางวางเวขาไม่ใช่เวขาที่แม่อยู่ไปโอเวขาเลยมันวางมันทำแล้วมันทำแล้ว ถ้าจะมีเมตตาก็ทำลงไปแล้วสงสารแล้วช่วยหมดความสามารถแล้วช่วยแม่จนหมดความสามารถแล้วไปหาหมอก็พาไปหมดแล้วยาอะไรก็รักษาหมดแล้วแล้วก็มีเมตตาอยู่อาหน้ำก็ช่วยเหลืออยู่ทุกอย่างเพื่อมาให้แม่ตายแต่มันก็ทำแล้ว แม่ตาคุณหนาวเาแล้วมันก็ไม่ไหวมันก็ตายลงไปก็แล้วโอเบะขาอขเบะขาเราเล้ยอยู่วางอยู่มันเห็นมันทํามันมันมันแสดงมันทํามันอะไรที่มันทํามาแล้วแต่มันมาวางอันนี้ก็แล้วว่าฌานเหมือนกันที่แท้กคือสตินั่นแหละคือสตินั่นแหละ ต่อไปกับฌานที่สามที่สี่แล้วก็มีสุขในฌานมันยิ่งกว่าสุขในกิเลสตัณหาหลคะโทสะอันสุขของโลกสุขของโลกว่ะเขาว่าเป็นความสุขแต่สุขในฌานมันมันยิ่งกว่านั้น เรา ก, ก็ละไปมีจตสติมีแตสติจิชะชะตเป็นหนึ่งจิตเป็นเอกเราละสุขละทุกข์ได้จิตเป็นหนึ่งมีสติแล้วเราอยู่มีสติแล้วอยู่สรุปลงที่สติสติคือชีวิตอย่างนี้เราจะมาพกหัดการ การถือหัตยอย่างนี้ก็แต่มาจากโน่นละ่ะแต่มาจากศรัทธานอ น, นเราเชื่อเมื่อเรามีศรัทธาเราก็มีความเพียรประกอบความเพียรแล้วความชั่วตามความดีมความชั่วนะ่ะขยันละความดีขยันทำนี่เรียกว่าความเพียร แล้วก็มีสติมันก็เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นเรียกว่าสมมติทิมันก็เลยทำมามีสติมีสมาธิสมา ธ, มาธิคือใส่ใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดเฉพาะเรื่องเวลาเรายกมือสร้างจังหวะมันเฉพาะมันไม่หลายอย่าง เวลาเราหายใจก็เฉพาะลมหายใจเวลาเดินก็เฉพาะการเดินมันเฉพาะตลอดทั้งลากับเวลาถ่ายเวลาขบเวลาฉันทงอะไรก็เฉพาะกวาดว้านถูเรือนล้างถ้วยล้างจานเฉพาะเฉพาะมันก็เรียกว่าสมาธิ สมาธิคือมันเรื่องเดียวไม่ใช่เป็นนั่งหลับหูหลับตาต้องไหไก็เป็นเรื่องเดียวมันก็เชื่อมแข็งเช่นความรู้ก็า ม, มีแต่ความรู้หายจเจอ้ารู้สึกหายจออกรู้สึกกายก็เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นแต่กายมันเคลื่อนไหวมีทั้งทัง้งที่เห็นอยู่มันก็รับความชัว่วทำความดีจิตก็บริสุทธิ์ไป น, นก็เป็นกอบเป็นคับขึ้นมาหลงมารู้เรียกว่าปัญญาทานได้ปัญญาจากความจากปัญหาจากความหลงไปเรื่อยๆไปอย่างที่เราสาธยายฉันทาบเิยรตปฏิ วิทยาอุภัตติจิตธรรมประคันาติจิตธรรมประคานาันตะิเล ว, ว่ะสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพะละเป็นกําลังย่อ พ, ะพะละหน้าสัทธาพละเชื่อว่าทําอย่างนี้เหมือนเกิดอย่างนี้วิริยระภาละเพียรประกอบ สติพยาขยันรู้ให้มากสมาธิพละเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้ปัญญาพราะก็ได้ได้ไดความหลงหมดไปไดความทุกข์หมดไปก็ไม่ตกกังวลหมดไปไดมันก็หมดแล้วแล้วว่าปัญญาปัญญามันมันมันเป็นตัวสุดท้ายเป็นวงลิฟติด สุดแล้วถ้าถ uh, ึงปัญญาถ้าหลงก็ได้รู้แล้วถ้าทุกข์ก็รู้แล้วถ้าโกรธก็รู้แล้วถ้าวิตกวิจารณ์ก็รู้แล้ววิตรีก็รู้แล้วอุเบกขาก็รู้แล้วทุกขก็รู้แล้วทุกข์รู้แล้วมันก็เป็นปัญญาถึงที่สุดนี่ว่าผลทุกข์เป็นม่า ละทุกเสละวิธีละทุกเป็นทุกเป็นผลวิธีที่ละทุกเป็นมากละทุกได้แล้ยวเป็นนิโรธก็มีอยู่อย่างนี้อย่างที่เราสวดสาทายพระสูตรเราก็ทำอยู่นี่เหมือนเราอ่านตำรานั่นแหละ เอากายเป็นตําลาเอาใจเป็นตําลาตาลาก็เป็นรูปเป็นนามรูปทำรูปมันก็ทำนามมันก็ทำอาการที่เกิดขึ้นกับรูปที่เราเื่อฉุอ ก, กว่าทุกข์มันก็เป็นอาการไม่ใช่ฉุกเฉิทุกข์ภาวะที่เห็นเห็นเป็นเรื่อยๆ เ, เลยไม่เป็นกับายที่ตั้งแต่ต้น ทั้งทั้งที่หลงก็เป็นรูปสูข ก, ก็เป็นรูปทุกข์เป็นรูปทวารที่รูปเนี่ยคือชีวิตทวาะที่ไม่เป็นอะไรคือชีวิตเราจึงต้องศึกษาคนเดียวปฏิบัติคนเดียวจะเลีกอยู่คนเดียวเพื่อให้มันเป็นเอตตะคะเราจึงทำยังไงล้วจึงจะอยู่ในรูปอย่างนี้ได้ พระพุทธเจ้าบอกเราพิสูจทั้งหลายเธอจงจเลึกจงใจเงลจิกไปผู้เดียวจตงจงเธอจงปฏิบัติผู้เดียวเธอจึงลูกผู้เดียวปิดถูกไม่มีใครลูกหลงเราก็ลูกผู้เดียวเปลี่ยนหลงปเป็นลูกหลงธรรมผู้เดียว จงปฏิบัติผู้เดียวให้พึ่งตัวเองอย่างนี้เวลามันสุขปฏิบัติผู้เดียวเวลามันทุกข์ปฏิบัติผู้เดียวให้เห็นอย่าปิดบังไว้ให้เราเห็นได้แก้ได้เปลี่ยนโดยจงยินดีอยู่ป่าผู้เดียวยินดีอยู่ป่า แม่จะเราจะอยู่ที่นี่เราก็อยู่ผู้เดียวให้อยู่ผู้เดียวจะลิกอยู่ผู้เดียวเรานั่งอยู่หมวก็เราอยู่คนเดียวเราเดินกับหมวก็เราเดินอยู่คนเดียวเราฉันเข้าอยู่กับหมวกเราฉันคนเดียวแล้วก็เปลี่ยนคนเดียวอย่าหลงตกหมู่แร้งอย่าเป็นแร้งตกหมู่กาอย่าเป็นกาอะไรควรวิดออกก็วิดออกเอาออกอย่ามักหมม ละออกพเจ้าเนยก็บอกทุกวิถีเธอจงวิทเรือของเธอให้มันเบาอะไรมันหนักอุบัติเหตมันยึดไหลมายึดความเลอะความชังมันหนักยึดความผิดความถูกมันหนักอาค้าจริตโทสะจริตโมหะจริตมันหนักเธอจงวิท ออกวิดน้ําในเรือออกเรือของเราคือจิตเป็นนายกลายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นผู้พายถ้ามีแต่ปัญญาพายแม่ก็หนักอยู่สุขมาแล้วทุกมาแล้วรักมาแล้วเกลียดมาแล้วก็วยังหนักอยู่เขียนเท่าไหร่ก็ไม่ถึงง่ายถ้าเราวิดออกตั้งแต่หลงเป็นลูก สุกเป็นรูทุกเป็นรูเลักเป็นรูอะไรต่างๆเป็นรูมันก็เบไปโบไปเล่นถึงจุดหมายไปทางได้ไวไม่หนักเหมือนมามีผีเท่าดีมามีผีเท่าไม่ดีก็ละกันไกลโอ้หลงแล้วหลงอีกรอว่าผีเท่าไม่ดีได้เป็นมาก็เรียกว่าผีเท่าไม่ดีสุกแล้วสุกอีกทุกแล้วทุกอีก อันทุกเรื่องเก่ายังมาทุกอยู่กวดเรื่องเก่ายังเอามากวดอยู่ล้าเรื่องเก่ายังเอามาลั ก, กอยู่ใจเสียใจได้เสียเลยยังเป็นแผลเป็นรอยอยู่ที่งม่ถมามผีเท่าไม่ดีวิ่งยังไม่ถึงไหนเจ ม, ม้ามีผีเท่าดีก็วิ่งได้ไกลกว่านั้นอยู่กับเราคนเดียวปฏิบัติคนเดียวทำคนเดียว แก้ไขคนเดียวยินดีอยู่คนเดียวอย่าคิดอะไรที่มันหัวพุ่นกับหมูกับมิรกับเพื่อนเกินไปกุกคีเกินไปที่สูตรทั้งหลายผู้ประมาทผู้ไม่ประมาทในเมื่อผู้นั้นประมาทเขาหลงเราไม่หลงเขาสุขเราไม่สุขเขาทุกข์เราไม่ทุกข์ คนอื่นจะมามาให้เราเป็นทุกข์ด้วยเขาคนอื่จะให้เป็นสุขด้วยเขาสุขพวกเขาคิดอย่งนั้นคิด่านี้เราก็ไม่หลงไม่ประมาทม่เมื่อผูื่นประมาทตื่นอยู่ในมเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละคนงู้ไปไกลเหมือนม้ามีไปเท่าดีละมากที่ไม่มีกํลาลังฉันนั่นแล้วก็ไปไกล วันหนึ่งสิบสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหกสามพันหกรอยวินาทีถ้าเรารู้ภา ว, วนาขยันรู้ขยันรู้นะหายใจเข้ากี่วินาทีหนึ่งหายใจออกวินาทีหนึงหนหน่งไม่เกินไม่ไวไมาช้า ก, กว่านั้นเดินที่เเข้าวกี่วินาทีบางที่จะไวกว่านั้น น่าตั้งใจเดินบางทีเราก็เดินแบบผสมประสานหลายอย่างสนุกอยาก่างน้องตาเดินหนึ่งแข่งแขนด้วยให้มันสนุกไปกับพาละาะโยคะกรรมฐานโยคะโยคะกรรมฐานไปพร้อมกันเราสุขภาพไม่ดี แล้วแต่เราจะเอามาใช้วินาทีหนึ่งสองเก้าแล้วเดินดานาก็อาจจะวินาทีละเก้าพอดีพอดีอดแต่ดวงตาเดินในวินาทีหนึ่งสองก้าแข่งเขนด้วยวก็พออยู่ได้เพราะเรื่องนี้แล้นั้นก็นี่ขยันรู้ใครจะรู้มาก แนี่แต่เราจะเก็บเอาคนเดียวจะไปเป็นคณะไม่ได้าศาสนาเกิดขึ้นจากปัจิจ ก, กชนนับหนึ่งคนเดียวให้เอาคนเดียวก่อนเอาหมูไว้ได้บางทีเราเรารู้อะไรบางทีก็คิดถึงหมู่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากไปบอกพ่ออยากไปบอกแม่ ตอนนั้นก็ไว้ก่อนเหมือนปิงเชียมานุ์ไปฟังเทศพุทธเจ้านี่มานุปสิบหกคนไปฟังเทศพุทธเจ้าพอได้ฟังเทศพุทธเจ้าปิงเชียมานุปคิดถึงลุงแต่อสิบห้าลูกสิบห้าคนนั้นไม่ได้คิดถึง ฟังไปฟังไปแล้วปฏิบัติไปตามความเห็นไปตามทำก็เห็นถูกต้องไปตามได้เป็นพระหรหันทั้งหมดสิบห้าคนแต่ไม่ได้เป็นพระลหันคนหนึ่งคือปิงเคียะมานุเปบ่ฝังเทศพระเจ้าหรอมันแผลงมันซาบซึ่งใจอยากให้ลุงมาฟังคิดถึงแต่ลุงคิดถึงแต่ลุ ง, งบุที่สุดไม่ได้บรรลุทำอะไรเลย ต้องไปที่บัติต่ออีกนานบางทีเราก็มีเหมือนกันนี่วม่าไปคนเดียวก่อนลูกคนเดียวไปก่อนอะไรก็ให้เป็นสวนตัวไปก่อนแล้วคมชั่วทาเองไปก่อนตามความดีก็ทาไปก่อนให้เหมือนไปก่อน ้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันถึงมันก็บอกถึงค้อมถึงมันจบก็บอกถึงความจบเราไม่ต้องไปพูดหลายบางทีเราก็ลําดับตามที่เราไปพิสูจประพฤติเช่นใดได้ผลเช่นใดไปไปสอนคนหนึ่งก็สอนตามผลที่เคยปฏิบัติทมเช่นนั้นสอนตนอย่างไรสอนคนอื่นอย่าง น, านั้น เราทำไม่ไหนนี่เป็นอันเดียวกันอันเดียวกันเช็คสติก็อันเดียวกันความหลงของโกรธความทุกข์อันเดียวกันเปลี่ยนก็หลงเป็นความตุกโกรธควาโลภความทุกข์ก็เปลี่ยนอันเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนได้ก็เป็นอันเดียวกันเ ป, นลปลี่ยนหลงเป็นรู้ก็อันเดียวกันเรียกว่าธรรมวินัยธรรคือธรรมาชาติ าาบาปก็เรียกว่าธรรมบุญก็เรียกว่าธรรมแต่ถ้าจะแยกก็เรียกว่ากุศลอกุศลความหลงเป็นอกุศลเป็นธรรมความรู้เป็นกุศลเป็นความหลงเป็นอกุศลเป็นอธรรมความรู้เป็นเป็นกุศลเป็น ทำเหมือนกันแต่มันเป็นกุศลมันดีมันถูกต้องอันหนึ่งไม่ถูกต้องโคมโกรธเป็นอกุศลโคมไม่โกรธเป็นกุศลสิ่งที่เปลี่ยนให้มันเป็นระเบียบอันเดียวกันเรียกว่าวินัยวิคือวิเศษ น, นัยะนําไปนําไปจวมวิเศษเปลี่ยนร้ายเป็นดีให้มันเป็นระเบียบ เอาความผิดเป็นความถูกเป็นระเบียบไปแล้วเหมือนดอกไม้ที่อยู่ในชามโปนกันเอามาเรียงเข้ากันมันเป็นระเบียบแล้วก็มีค่ามันมีค่าเพราะมันเป็นระเบียบที่ว่าวิไน ย, ยะไน ย, ยะนําไปวิคือวิเศษนําไปสู่ความวิเศษนําไปสู่ความดียอดเยี่ยมที่กว่าธรรมวินยัย มันอยู่ที่คนเราเนี่ยไม่ใช่บังคับให้ปฏิบัติอย่างนั้นบังคับไม่ทำอย่างนี้ควมหลงไม่ใช่วิไนความไม่หลงเป็นวิในความโกรธไม่ใช่วิไนความไม่โกรธเป็นวิไนมันดีเนี่ยความหลงความทุกข์เป็นเป็นอธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรม เราก็มีธรรมในความเป็นธรรมในชีวิตอย่างเนี้ยเราก็ได้ไปได้ไปปัญหาเป็นปัญญาเลือยไปเมื่อเรามีความเป็นธรรมในตัวเรามันก็สังคมก็มีความเป็นธรรมไม่ใช่ไปเรียกลองจึงปฏิบัติคนเดียวเปลี่ยนคนเดียวศึกษาคนเดียวเที่ยวไปคนเดียวก่อนทุกคนต้องทำอย่างนี้แล้วก็เป็นอันเดียวกันได้ ไม่ใช่ไปเจริญกัน บ, บังคับควาใสด้วยศัทาวุธบางทีต้องบังคับให้ไปฏิบัติตามกฎหมายมันก็ไม่สําเร็จถ้าเราไม่เริ่มต้นที่เราอย่างรัฐบาลจ ะ, ะจะพยายามให้คนไทยทั้งชาติใช้กฎหมายถ้าเราไม่ไม่มาทําที่ตัวเรามันก็ไม่ใช่บงคนบังคับ แม่จับไปติดคุกติดตารางออกมาก็ยังเป็นโจรผู้ล่ออยอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเรามาเปลี่ยนอย่างเนี้ยมันจะเป็นกฎหมายเป็นทำไว้ไหนทันทีันที่สุกสัทีิภาพเกิดขึ้นทันทีเหมือนจึงมีศรัทธามากๆในเรื่องนี้นะศรัทธาพละไม่ทอถอย <c oughs> สติภละไม่ทอถอยความเพียรไม่ทอถอยขยนันละความชั่วขยันทําความดีอยากเห็นมันทุกอยากเห็นมันสุขอะไรที่เป็นตัวทุกเดี๋ยวมันขยนันแม่แต่หายใจไม่ได้มันก็ขยนันไม่ไม่เห็นมันทุกตรงไหนหายใจไม่ได้เหมือนเจ็บก็ไม่เห็นทุกตรงไหนมันไม่มีจะให้เปลี่ยนครับว่าทุกเนี่ย นันถึงแผ่นดินสุดมันมีอยู่ในชีวิตของคนเนี้ยไม่มีทุกข์ไม่เป็นอะไรมันก็คือชีวิตชีวิตแบบนี้ไม่ได้เก่ไม่ได้เจ็บ ไ, ไ, ไม่ได้ตายนั่นอยู่ในรูปในนามนี้ไม่ได้ไปหาที่อื่นจากการศึกษาเรื่องนี้ศรัทธาพัละมีศรัทธาสัมผัสความหลงสัมผัสความรู้ มิศธาตรงนี้ทำอย่างนี้มันรู้ทำนี้มันหลงด้วยจะเข็ดหลาบเหมือนเราเดินทางผิดก็กลับทางใหม่เนี่ยถ้าผิดตรงไหนมันมีปัญญาตรงนั้นเหมือนเดินทางถ้า ต, ตรงไหนมันหลงมันจะไม่หลงตรงนั้นอย่างเราเรียนอะไรที่มันสอบตกมันตรงไหน มันจะเก่งตรงนั้นแต่พระนักเทศไปเทศปทศุจฉาอยากให้บันติดอยากให้คนถามให้มันติดลองดูจะได้มาศึกษาหาตำลาถ้าเขาถามมันติดเราแจ้ไว้ได้หนะ่ะจะมาหาอ่านตำลามันตอบยังไง กามโมหานของโลกถ้าสอบถ้าปุจฉาวิจาจนาไม่ได้เขาปุจฉามาเราวิจัรนาไม่ได้นั่นแหละมันดีเราจะได้เลื่อนฐานะของเราจะได้แก้ขยะขยันตรงนั้นไม่รู้สชิงใดแต่ถามท่านว่ารู้ไม่เข้าใจเชงใดทำให้เข้าใจไม่แจ้งสชิงใดทำไมเขาแจ้งขึ้นมาไม่ต้องยอม สอบมันไม่ผ่านมันตรงไหนที่มันไม่ผ่านมันนี่เราไปสอบข้อเขียนเราสอบยังไงเราเขียนยังไงมาเปิดตําราดูมันผิดมันก็ผิดเพาสอบตกเราไม่ได้เสียใจแต่วันสอบตกมันยิ่งดีจะได้แก้นีนตรงนี้ตรงมันผิดแต่ความข้อสอบมันตกตามมันหยัดสากลแต่ว่าเราไม่ตก เราลูกอล่าเนี่ยที่มันหลงมันบทเรียนดีอ่ะที่มันทุกข์หนะบทเรียนดีอย่าเป็นหน้าหิ้ยอย่าเป็นหน้าบูดหน้าเบืง่งเวลามันทุกข์นะเชิที่ยิ้มหวัวเราะมันนะสติเป็นเช่นนั่นนะไม่ใช่เป็นหน้าบูดหน้าเบืง่งไม่ใช่ไปเศร้าหมองอยากจะกระชากออกมา ไม่สบายใจไม่สบายใจไหนใจม่อยู่ไหนอ่ะเอามานี่เราจะล่างให้มันสบายให้มันดีให้เอามาเอาใจมาเราจะทาให้มันดีมันก็ไม่ได้เหมือนอยู่ที่ตัวเองอุปทานมันหลงของตัวเราต่างหากนั้นไม่มีอันว่าไม่สบายใจไม่สบายใจมันไม่สบายตรงไหนล่ะจะอามาแต่งให้มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเราเอง อันไม่สบายนะมันเป็นอุปทานนะมันหลงเห็นมันไม่สบายนะมันจะดีรักษาเห็นอว่าอย่างที่เราสาธิยพระสูตรนะสัมมาทิฏฐิสมสมมาส ม, มาธิเห็นอะไรเห็นทุกข์นะเห็นเหตุที่เกิดทนะุกข์ เห็นวิธีเดบุกเดบุกได้แล้วนั่นแหะสมัยทิศทีตเป็นลุกกอลูนเหมือนแสงเงินแสงทองขึ้นนี่หวังจะสว่างขึ้นมาถ้ามองเห็นแสงเงินแสงทองขึ้นเราก็ไม่กีหนาทีจะสว่าง เห็นทุกเห็นเหตุได้เกิดทุกวิธีดอบทุกดับทุกได้แล้วนัว่นแหละมันเป็นลุ่งอลุนหรอลุล่งอลุนของผู้ปฏิบัติถ้าเรามีสติเห็นมันหลงนี่ดีแล้วเห็นมันทุกนันดีแล้วมันก็มีวิธีเดียวหลวงตาก็บอกง่ายๆเห็นอย่าเป็นนั่นแห ะ, ะน่ะลีสัตตี ทั้งหมดเลยเห็นทุกมันไม่เป็นผู้ทุกนั่นทุกเป็นผลไม่เป็นผู้ทุกทุกเป็นทุกเป็นผลหลงเป็นเหตุไม่หลงเป็นมรเมื่อไม่หลงก็ไม่ทุกเป็นผลเป็นมรเป็นผลในข่าวเดียวกันทันทีไม่ใช่ชาติหน้า นานตายไปแล้วไม่ใช่ไมมันหลงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลงเป็นรูปเป็นผลเดี๋ยวนี้เป็นมรรคเป็นผลเดี๋ยวนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นอกุศลเปลี่ยนเป็นกุศลมาในขาวเดียวกันกนะ็ เ, เห็นเกิดมันจึงมีไม่เกิดเพาเห็นเจ็มันจึงมีไม่เจ่เพราะเห็นเจ็บมันจึงมีไม่เจ็บพราะเห็นตายมันจึงมีไม่ตาย มันเป็นอย่างนี้มันง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากถ้ายากผู้เจ้าหมาสอนผู้เจ้าสอนในสิ่งที่เราทําได้ปฏิบัติได้เห็นผลได้ไม่จํากัดการมันหลงตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นก็คือเดือดเวลาหลับเวลานอนมันหลงนั่นแหละจะได้บรรลุธรรมนอนอยู่จะได้บรรลุธรรมอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่น อย่ามื่งไกลเราในความร้อนมีความเย็นเย็นในเตาหลอมเหล็กลําดีที่สุดถ้าเย็นในห้องแอร์ไม่ดีเย็นในเตาหลอมเหล็กน่ะตรงไหนที่มันร้อนน่ะเย็นที่สุดลองดูเช่นอย่าให้ร้อนเป็นร้อนถ้าร้อนก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตายแน่ตายตายตายตายอเขาพูดจากนั้นล้วก็ เราพูดในใจละไม่ตายไม่ตายไหวไหวไหหไม่ตายไม่ตายมันจะเย็นในเตาหลอมเหล็กเย็นใจมันเย็นได้ทุกกรณีอันเย็นกายมันเย็นไม่ได้แต่ใจมันต้องเย็นไปก่อนร้อนกายใจเย็นโลกมันร้อนแม่ว่าแผ่นดินมันจะไหวยังคิดสนุกนะ แผ่นดินมัน <c oughs> แยกมันแตกไปดูหนังโลกที่นิวยอร์กไปดูโลกเนี่ยมันแตกแล้วไปดูโลกที่เขาฉายให้ดูมันแตกเพราะเราคนใช้มันน้ำหนักไม่ไหวจ <c oughs> นนหนักไม่ไาว <c oughs> แตกไปไหลาย <c oughs> ช่วงแล้วแผ่นดินไหว <c oughs> อ๋อถ้ามันแตกแล้วก็โดดไปแน่สนุกนะคิดเลยเๆไปเอามันแตกแลวจะโดดไปนั่นโดดก็นั่นโดดไปนี่โอ้สนุกดีนะโลมันแตกฮ่่่อึ้งอมันทุกอยเกี่ยนไหนล่ะอืายไปได้เลยทุกเลยไงโอ้ยไม้เห็นทุกตัวไหนอ่ะมันไม่มีอะทุกข์อะ มันเปาะบางเกินไปกรรมมุขานิการโยกทุกเป็นทุกเป็นว่าการมสุจานิการโยกออนแดสุกเป็นสุกด้วยกามมุจฐานิการโยกผิดทางเช่นนี้ทางเช่นนี้ไม่ควรเฉพผู้ที่จะเป็นบันปคิดไม่ควรเฉพคำว่าเฉบคือเป็นสุกเป็น สุขเป็นส so e ุขเสพสุขทุกข์เป็นทุกข์เสพสุกขทุกข์รู้ทางนี้ไหมสิ่งนี้ไม่ควรเสพบันไปคิดไม่ควรเสบบันไปคิดคือผู้เห็นภัยไม่ใช่หัวโล้นหลวงพ่อเหลืองแตาใครเห็นไผ่อย่าไปเสพเสบสุขเสพทุกข์มันเป็นงามมันขานข้ายกโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงรักเป็นรักเกียรชังเป็นเกียรชังหัอใจไม่พอใจน่ะเสพ เฉียบคือใช้ชีวิตแบบนั้นมันผิดไปไม่ถึงไหนไอเมาสุตังเอกังสังควาพราเสภิกสุเป็นดับขีภิกขีเวอตตะโกปัญชฟีภิกษุอ ม, มันเตสุอมขันกาโยโขอตตะจิมันขานโยโคมัจิ ม, มาปฏิปทา ท่าเจ้าเทศโปรดจัดจัปัญญาวิชีน่ะในวันเพ็นเดินแปดนะฟังนี่ไม่ใช่ความเจ็บบันปคิดผู้เห็นภัยแต่มตรรตเราจะต้องเกิดเจ็บเ จ, เจ็บตายเช่นี้หรือชีวิตเราเกิดมาทำไมลองให้เสียใจสุขสขทุกๆอยู่ตรงไหเขาไปไกลแล้วหลวงตาพูดแล้วพูดดีกทุกวันนี้เขาไม่หลง ทุกวันนี้เขาไม่ทุกข์ทุกวันนี้เขาไม่โกรธเราจะมาหลงมาโกรธมาโทษมาทุกข์ตัวทําไมมันมีหรืมันชี่ช่างขีเสือมาหรืออันสูกอนทุกข์เนี่ยอันเกิดเป็นอารมณ์มันเป็นอาการเกิดขึ้นเกิดกั บ, กบ ใ, ใจเราเฉยๆนิดเดียวเช่นผมบางผูเขาเปลี่ยนมันละ อันหลงเป็นรูนี่มันไม่ต้องเงือไหลใครย่อยอะไรนอนอยู่ก็เปลี่ยนได้นั่งอยู่ก็เปลี่ยนได้เดินอยู่ก็เปลี่ยนได้แล้วเวลามันไหลเวลาใดมันหลงรูขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะหัวลาะแทนที่ชื่นใจตัวนี่ยงานของเราอยู่เนี่ยนี่เป็นงานของเราจะทำไงเราจึงจะมีโอกาสต่อน้ำโตตาแบบนี้ นิทิจิมันต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันนั่งยกมือสร้างจังหวะนะเหมือนพระจิตตระในวันเพ็ญดันโง่กู้ฉันเข้ามิเสติเหยื่อฉันออกมิสติผู้ฉันเข้ามิเสติเนี่ยต่อหน้าต่อตาเนี่ยกายก็มีอยู่จริงนี่ยกู้ฉันเข้ามิเสติเนี่ยเหยื่อฉันออกมิสติให้มันต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันหลงก็หลงต่อหน้าต่อตาเนี่ย มันไม่รับไม่รีดหรอกมันโง่โง่ความหลวงน่ะพุดธขึ้นมาเลยมันไม่ใช่ฉลาดนะยุงมันฉลาดกูขมหลงมันกัดตรงที่เราไม่เห็นมันนะมันต้องงองหนาแล้วยืนลดน้ำอยู่มันก็รั่วตาเราไปทางนี้มันไม่กัดตรงนี้มันมันกัดทางน่องเรามันก็ยังฉลาดกูขมหลงนะ ยุ่มั่งขี้อยากขูความหลงต้องเอามือไปไล่มันอันความหลงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ต้องเอามือไปไล่เพียงแต่มีสติเท่านั้นเองมันก็หายไปแล้วแล้วมันอะไรมันยากที่ไหนห่ะมันยากเลยอำแค่นี้มันยากเหลยทําไม่ได้ทําไม่ได้กลามขรุขระายกทําไม่ไ ด, ไได้อะไรก็ยากอะไรก็ยาก คนไม่มีจัดธางมู้มีความเพียรเห็นดงเป็นทุง่งผู้ไม่มีความเพียรเห็นทุ่งเป็นป่าเป็นดงยากอะไรก็ยากโบราณทั้งห่าใจมีความเพียรประสงสังกางดงกวาทุ่ง ที่ค้านแล้วกางบ้านกวาดงแ่นบอกไม่เพื่อนฮะกั <laughs> บเพาฮะ